วันนี้ก็จะได้พาฝึกปฏิบัติในอ e ีรบทนอนด้วยเรียกว่าผ่านมาอาทิตสุดท้ายนะยังไม่ได้สอนนอนภาวนาเลยกยจะพาฝึกในช่วงสุดท้ายให้การนอนก็เป็นเ e อีรบทใหญ่เอบทหนึ่งในชีวิตคนเราเนี่ย อิรโบทใหญ่เนี่ยการยืนการเดินการนั่งการนอนนะแต่ละวันระบบเวลากับการนอนจะกี่ชั่วโมงนะบางคนก็นอนแปดชั่วโมงตามมาตรฐานนะถ้าแปดชั่วโมงก็หนึ่งในสามของชีวิตทีเดียวนะวันหนึ่งยีสี่ชั่วโมงเนี่ยแปดชั่วโมงหมดไปกับการนอนบางคนน้อยกว่านั้นก็อาจจะหนึ่งในสี่ ถือว่าเยอะไหมเราต้องใช้เวลากับการนอนในแต่ละวันเนี่ยก็แทนที่เราจะนอนเปล่าๆเราก็สามารถนอนภาวนานอนในการฝึกปฏิบัติในการพัฒนาสติได้นะโดยเฉพาะถ้าในแต่ละวันเนี่ยเราภาวนาต่อเนื่องทั้งวั น, นถ้าเรานอนภาวนาต่อเวลาช่วงพักเนี่ย คนที่ตามมามันก็จะไปรวมช่วงตอนเดี๋ยจิต ท, ที่เข้าถึงสมาธนะิมันก็จะเข้าถึงภาวะที่ตื่นรู้เข้าไปนะแต่การที่จะนําปฏิบัติในวันเนี้ยนะจะเป็นเวอร์ชันที่เรียกว่าธรรมานิ t าก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นที่เน้นในการพักผ่อน น, นั่นเองนะบางคนเนี่ยปฏิบัติแล้วจิตมันตื่นมากมันนอนไม่หลับเลยนะ แต่ถ้าใช้ชีวิตแบบขนาดคว่าบางทีก็รู้สึกว่าเราต้องอยากพักผ่อนพอเราต้องทํางานถ้าเราเดินสภาวะเป็นก็เราก็ลดสภาวะลงมามันจะคลายตัวจิตมันจะคลายตัวแล้วก็เข้าสู่การหลับพักผ่อนได้หรือว่าเราจะใช้คลิปธรรมนิธาก็ได้เพราะว่าคลิปธรรมนิทานจะออกแบบไว้เพื่อการเข้าสู่การพักผ่อนนั่นเองไม่ได้เน้นว่าต้องเดินสภาวะจนจบ แต่เน้นเพื่อคลายออกเคลียออกแล้วก็เข้าสูก่การหลับพักผ่อนนั่นเองนะบางคนฟังปุ๊บอาจจะหลับไปเลยก็ได้ก็ไม่ต้องถือว่าอันนั้นเเรื่องปกตินะแต่ถ้าไม่หลับก็ไม่หลับแต่มันจะช่วยให้เราคลายออกรุดออกนั่นเองนะสิ่งนี้ก็ทำไว้เกื้อกูลสำหรับคนทั่วไปด้วยเพราะว่าในยุคสมัยนี้คนก็มีความเครียดกันมากนะ ในแต่ละวันเนี่ยบางทีมันเรื่องอะไรมันเข้ามาเยอะเลยในชีวิตเราคันกลับมาก็เหนื่อยล้าเต็มที่แล้วจะให้เรามานั่งภาวนาบางคนก็ไม่ไหวยอยากจะนอนก็สามารถใช้คลิปธรรมนิทานอย่างน้อยก็ได้เคลียร์ตัวเองช่วงก่อนที่เราจะพักผ่อนเหมือนร่างกายเรายังต้องอาบน้ำชำระกายกันทุกวันเลย แล้วจิตใจเราได้ชำระ ก, กันบ้างหรือเปล่าถ้าเราปล่อยให้มันข้างๆ ท, ทุกวันทุกวันสังเกตความเครียดสะสมหลายคนจึงมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยว่ามันสะสมความเครียดความกดดันไว้มากทีเดียวตรงนี้ก็เพื่อกูนอกจากผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยก็คนทั่วไปได้นะเพราะฉะนั้นก็ท่านทั้งหลายก็สามารถเปลี่ยนเปน็นนิยบทนอนได้ ก็จะได้นำนะท่านทั้งหลายนะนะเข้าสู่ช่วงการฝึกปฏิบัตินะในเอบทนอนนะที่เรียกว่าธรรมนะิทานบางทีเราผ่านเรื่องราวมาทั้งวันเนะหนืยล้าจากกิจการงานต่างๆ อย่างน้อยก่อนที่จะเราหลับพักผ่อนนะก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมนะเพื่อเคลียสิ่งที่ค้างคาในจิตใจของเราเนะพราะผู้มีพระพุทเจ้าได้ตัดไว้ว่านะเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้นะนะมันเป็นธรรมดาผลจากการใช้ชีวิตต้องสัมผัสเรื่องราวต่างๆจิตใจมันย่อมเศร้าหมอง มีความเล่าร้อนกังวลกังวายถ้าเราปล่อยใจหลับไปกับความเศร้าหมองนะถ้าเราตายตอนนั้นนะมันก็ไม่ไปสบายเนะพราะผู้มีพระพาทเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตพ่องใสสุขคติเป็นนันหวังได้อย่างน้อยก่อนที่จะเราเข้าสู่การหลับในแต่ละวัน เราก็ควรที่จะเคลียร์ใจตัวเองจากเรื่องราวต่างๆจากใจที่เศร้าหมองเป็นจิตใจที่ผ่องใสขึ้นมาใครจะไปรู้เราอาจจะนอนแล้วเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาณนะสร้างเหตุปัจจัยที่ดีงามไวนะ้ก็ฝึกปฏิบัติ นอนภาวนาในทุกๆวันเพื่อเคลียรเรื่องราวอารมณ์ต่างๆที่ค้างคาต่างๆจากความเครียดจากความกังวลจากเรื่องราวต่างๆ